ไม่รู้ว่าเขาขุดบ่ลอล่อปลาเอาไว้แล้วว่าจะให้เราพูดอย่างนั้นก็เขารู้ิสัยเราก็าเราเป็นอย่างนี้เหมือนกันนักมวยนักมวยนี่ก็ต้องหาทางทําให้คู่ต่อสู้นี้พลาดเขาก็รูวกคู่ต่อสู้คนนี้เป็นคนที่ขี้โกรธมีจุดอ่อนตรงนั้นตรงนี้พอยู่อายุไปเรื่อยๆ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 หรืออาจะโกรธปฏิกิริยาปฏิกิริยาแรกคือโกรธแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนี่มันไม่แรงในช่วงวินาทีแรกในช่วงไม่กี่นาทีแรกเนี่ยมันมันไม่แรงแต่พอเราไม่รู้ตัวมันก็ค่อยๆมาจู่โจมแล้วก็ครอบงำจิตใจของเราบางครั้งมันมาแบบแทรกซึมแลค่อยซึม ค, ค่อยสะสม ตัวจนกระทั่งกว่าจะรู้มันก็เล่นงานเราไปเยอะละแต่บางครั้งก็มากับจู่โจมโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงแต่เราเผลอด้วยนะที่มันเข้ามาได้เพราะเราเผลอเราไม่รู้ตัวถ้าเรามีสติรู้ตัวทันทีที่มันเกิดขึ้น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 เช่นเขหลับยามหรือว่าไม่มีความเิลฉลาไม่มีความวัยไม่มีความช่างสังเกตไม่สามารถจับพิรุธของศัตรูหรือว่าเจรชนได้นั้นก็สามารถสอดแทรกเข้าไปเสร็จแล้วเข้าไปก็วางเพลิงอะไรแบบนี้วางเพลิงก่อความวุ่นวายปัน่นป่วนไปหมดนะมันเริ่มต้นมาจากด่านแรกก็คือที่ประตูของจิตสตินี่นแหละคือ ผู้ที่จะคอยดูแลควบคุมป้องกันไม่ให้อกฤฤุสนเข้าไปทำลายก่อความทุกข์ให้แก่ติดใจของเราเรื่องความไม่รู้ตัวนี่สำคัญสติคือความระ ล, ลึกได้เราก็รวมไปถึงว่าความรู้ตัวด้วยที่จริงในทางปริยัตเขาก็จะแยกไว้ชัด สติคือความระ ล, ลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวัแต่บางทีก็รวมรวมกันไปนะสติคือความรู้ตัวก็ได้ที่จริงก็เป็นสาแฝดกันอยู่แล้วคือถ้าระลึกได้ก็รู้สึกตัวได้ดังความหลงความไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นตัวพาเราเข้าสู่ผลทา ง, างความทุกข์และพอเราเผลอเข้าไปในเส้นทางนี้แล้ว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 มันก็เป็นตัวเพิ่มให้ความหลงมีมากขึ้นนะมันทำให้ความไม่รู้ตัวมีมากขึ้นเราก็คงจะประสบด้วยตัวเองเวลาเราโกรธนี่ทำอะไรผิดพลาดพลาดก็มีทำในสิ่งที่ไม่สมควรเพราะลืมตัวบ่อยไปอย่างนักมวยนี่พอเข า, าโกรธแล้วเนื่องจากเขาไม่รู้แผนการของคู่ต่อสู้เมืเ่อเขาโกรธเขาก็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 รุนายาขีดเขียนให้สกปรกวันรุ่งขึงก็พบว่าไอ้ป้ายนั้นก็ถูกทําลายไปไม่เหลือร่องรอยเอาป้ายาติดอีกมันก็เอาสีมาพ่นต่อมาก็ขรู ว, ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายติดป้ายว่าจะดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่พ่นสีก็ไม่มีความหมายอุตสาห์พอสีมันพ่นเต็ม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 เสร็จแล้วเขียนข้อความโตโตเลยว่าใครเขียนเป็นหมาตกลงใครเป็นคนแรกที่เป็นหมาเจ้าของเนี่ยนี่เพราะอะไรเขาโกรธจะลืมตัวอยากจะด่าพวกนักเรียนมือบอลแต่ว่าคนที่ถูกดา่าคนแรกคือตัวเองนั่นแหลนะให้ลืมตัวแล้วเราอย่าให้ความกลัวมันเกิดขึ้นนะอย่าให้ความซ้องเกิดขึ้นนะ เกิดขึ้นได้แต่อย่าให้สะสมมากจนลืมตัวที่วัดนี้ก็มีป้ายติดอยู่ที่ที่ประตูเปิดได้ปิดด้วยนะมีประตูอยู่สามจุดนะติดป้ายไว้ว่ า, วาเปิดได้ปิดด้วยก็ทํานองเดียวกันนะเราโกรธได้แต่ให้รู้จักหยุดด้วยเศร้าได้นะแต่ให้รู้จักวางด้วยไม่ใช่ปล่อยให้มันยดเยื้อ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 ไฟฉายเขาไปทำหน้ท า, นาที่ไล่ความมืดเองน้ําที่มันเน่าเราไม่ต้องไปไปวิดหรือไปสูให้เสียเวลาเรามีวิธีที่ง่ายกว่า น, นั้นก็คือว่าเราทดน้ําเอาน้ําใสไปไล่น้ําเสียถ้าเรารู้จักทดน้าําใสไล่น้ําเสียเนี่ยนะเราก็ไม่เหนื่อยการเจริญสติก็เพื่อเหตุ น, นี้แหละคือเพื่อเอาสติหรือความรู้ตัวจะไปไล่ความไม่รู้ตัวความหลง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 กำลังสร้างจังหวะอยู่ใจลอยอ้าวลึกขึ้นมาได้วันนี้ฉันกําลังสร้างจังหวะอยู่นะไอ้ตัวนึกได้นี่คือสติแล้วไม่ได้นึกได้เฉยสติก็จะทำหน้าที่ดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันหรืออยู่กับอิริยาบถ ด, ด้วยนี่แหละคือคือคืองานของสติรวมทั้งระลึกได้ว่าเออมันมีวิธีการจะจัดการความทุกข์ได้ด้วยนะ มันมีวิธีที่เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ได้เดืนนะวิธีรู้จับมองให้เป็นรู้จักหยูดให้ได้มีความอดทนขันเตะเงนั่นสติเป็นตัวตั้งเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวกรุยทางที่จะพาเราสู่ทางใหม่เลือกใช้เส้นทางใหม่ก็คือทางแห่งความไม่ทุกข์ทางแห่งความสุขที่ยั่งยืน เราเรียกทางสายนี้ว่าเป็นทางกุศลนะเพราะว่ามันจะพาเราไปสู่กุศลธรรมหลายข้อคือปัญญาคือสติคือสมาธิคือเมตตานะแล้วก็มีความสุขหรือความหลุดพ้นนะเป็นที่สุดทางสายนี้มีสตินะเป็นใหญ่มีวิมุติเป็นแก่นมีนิพพานเป็นจุดหมายแต่เราก็ต้องเลือกนะที่จะเดิน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 แต่ที่เราทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะเป็นเราเลือกเองหรือจะเป็นเพราะว่าความไม่รู้และความหลงความเคยชินเป็นตัวผลักอันนั้นก็ก็พูดได้เหมือนกันที่จิมก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่บางทีเราก็เรียกลมๆไว้ว่าเออฉันทาเองนะแต่ที่จริงพูดคือว่าเราตั้งจิตเอาไว้ผิดพระเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้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 ไม่ใช่เป็นพ่อปัจจัยภายนอกครูเจ้าท่านเทวัญนาสนใจบอกว่ามือที่ไม่มีแผลนะจับอะไรก็จับได้จับยาพิษก็ได้ไม่อันตรายแต่ถ้ามือมีแผลเมื่อไหร่นี้จับไม่ได้ลอันตรายนอันตรายเกิดขึ้นจริงๆเป็นเพราะมือเรามีแผลไม่ใช่เป็นเพราะยาพิษเพราะถ้ า, ถ, าถ้ามือเราไม่มีแผลจับยาพิษก็ได้ไม่อันตรายเป็นชีต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 เชื้อโเรเล็กๆน้อยๆมก็ทําถึงตายได้ฉะนั้นยพยายามให้เอาสติมาเป็นปราการด่านแรกของจิตให้ได้นะเป็นนายเฝ้าประตูที่เข้มแข็งฉับไวฉลาดรู้ทันมันจะมาไม้ไหนกิเลส ม, มันจะมาไม้ไหนมานมันจะมาไม้ไหนรู้ทันมันจะหลอกให้เราคิดมันจะหลอกให้เราฟุง้งเรารู้ทันลองสังเกตดูว่าสติของเราตอนนี้รู้ทันความฟุ้งซ่านได้ไหย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 ตัวลายที่ขอยล่อให้เราออกจากหลังคาออกจากสารลาเพื่อที่เราจะได้เปลียกออกไปไม่แล้วก็เปียนเมือ น, นั้นเราอย่ากออกไปนะมีความรู้ทรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คอยมีความเพียรตั้งจิตให้มีฉันทะกับการปฏิบัตินะถือว่านี่แหละคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเดินไปสู่ความไม่ทุกข์เดินไปสู่ความสุขได้